ท่านพู้ศาสมักชนทั้งหลายและท่านประโยคคาวจจรทั้งหลายสำหรับเวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาธานประกรรมฐานแล้วต่อ น, นี้ไปก็เป็นโอกาสที่ท่านัหลายจะรับการศึกษาในด้านการปฏิบัติประกรรมฐาน <c oughs> สำหรับในระยะนี้ เป็นเรียะที่ท่านหลายศึกษาในด้านอนาปานุสติกรรมฐานเจนั้นขอท่านหลายจงสนใจกับอนาปาณุสติกรรมฐานเป็นปกติสำหรับกรรมฐานกองนี้ผมจะพูดละเอียดกว่ากองอื่นๆเพราะว่าเป็นแบบแผนที่มีความสำคัญสำหรับกองต่อไปก็จะพูดโดยย่อ คำว่าสนใจกับนาปานุสติกรรมาฐานก็หมายความว่าจะนั่งอยู่ก็ดีจะเดินอยู่ก็ดีจะยืนก็ดีจะนอนก็ดีเอาจิตไปสนใจกับลมให้ใจเข้าให้ใจออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ว่าให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ว่าให้ใจออก เวลาให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่อย่างนี้เป็นแบบหนึ่งเครื่อแบบขอ้อนาของมหาปฏิปฐานนสูตรสำหรับในแบบกรรมฐานสี่สิบเวลาให้ใจเข้ามีความรู้สึกว่าลมกระทบจมูกเกิระทบนอกกระทบศูนยเหนือสะดือ เวลาใจออกลมกระทบศูนเหนือสดียกระทบหน้าอกกระทบจมูกหรือว่าริมพิปากถ้าคนมีริมพิปากเชิดจะมีความรู้สึกว่าลมกระทบริมพิปากถ้าริมพี่ปากงุ้มจะมีความรู้สึกว่าลมกระทบจมูกถ้ามีความรู้สึกสามฐานก็แสแดงว่า การทรงานาปานณสติกรมรมฐานก็ท่านเริ่มใช้ได้ผมใช้คำว่าเริ่มใช้ได้รู้ว่ายัางใช้ไม่ได้เต็มที่ถ้าจะใช้ให้ได้เต็มที่ก็ต้องมีความรู้สึกว่าลมหายใจเบาลงแต่ว่าอย่าไปผ่อนลมหายใจให้เกิดความรู้สึกเองแล้วก็ในที่สุด ไม่มีความรู้สึกว่าหายใจถ้าไม่มีความรู้สึกว่าหายใจนี่แบกการของฌานสี่ฉะนั้นอาการที่ท่านทั้งหลายพากันพยายามรู้ลมหายใจเข้า ใ, ใจออกตามเป็นปกติก็จะเป็นการห้ามจิตไม่ให้ไปยุ่งกับนิวรณ์ห้าประการ และก็จะเป็นการห้ามจิตหรือว่าป้องกันจิตไม่ให้ไปยุ่งกับอารมณ์ที่เป็นอกุศลทั้งหมดหลังจากลั่นจิตของท่านก็จะประกอบไปด้วยปัญญาตอนนี้ปลอยจิตก็จะก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้เข้าถึงวิปัสนาญาณดัง <c oughs> นั้นขอท่านประโยคาวาจรทุกท่านจงอย่าทิ้งอารมณ์การรู้อรมณ์ให้ใจเข้าใหใจออกเสีย ถึงแม้ว่าท่านจะทำกองอื่นก็าตามต้องขึ้นอนาปานสติก่อนเสมอความจริงเรื่องของปะโสดาบันผมก็คิดว่าจะหยุดตั้งแต่เมื่อคืนที่แล้วแต่มาวันนี้มาคิดได้ว่าความจริงเรื่องการเขาเป็นปะโสดาบันนี่เป็นยากที่ว่าเป็นยากเพราะว่าจิตดงเดิมของเรา มีการครบหาสมาคมกับอารมณ์ที่เป็นอกุศลอยู่เสมอฉะนั้นนี่ขอย้ำอีกสักครั้งหนึ่งหรือว่าย้ำอีกวาระหนึ่งคือการย้ำนี่ผมจะขอเอาความประพฤติด้วยการแนะนําของลัทธิฝ่ายตรงกันข้ามมาใช้ความจริงเขาจะเป็นลัทธิอะไรก็ตามถ้าของเขาดี เราก็ขนนำมาใช้ <c oughs> ลัที่อันนี้เขอจะเรียกว่าลัฐที่อะไรไม่สำคัญสำคัญอยู่ตัวที่การประพฤติปฏิบัติเขาแนะนำกันว่าอย่างนี้เด็กๆในสมาคมนั้นเขาแนะนำว่าจงลืมพ่อจงลืมแม่จงลืมครูบาอาจารย์ลืมพระมหากษัตริย์ลืมทุกอย่างเสีย เรามีความต้องการอย่างเดียวคือสังคมนิยมนี่เ บ, บ็กการนี่สองโตขึ้นมาแล้วเมื่อถือปืนเข้าต่อสู้หวังยึดพื้นที่เขาก็แนะนำว่าจงติดเกาะติดประชาชนหมายความว่าประชาชนอยู่ที่ไหนเกาะติดที่นั่น ไม่ทำตนให้เป็นศัตรูกับประชาชนทำตนให้เป็นมิตรกับประชาชนรายการที่สองเกาะติดพื้นที่พื้นที่ที่ใดที่เรารักษาอยู่พื้นที่นั้นเราจะไม่ยอมให้เป็นเป็นที่อยู่ของข้าศึกห <c oughs> มายความว่าจะไม่ยอมให้ฝ่ายตรงกันข้ามเข้ามายุ่งกับพื้นที่นั้นได้ เรืการดีสามเกาะติดกองทัพมันหมายความมาคู่ต่อสู้ข้างเราอยู่ที่ไหนเราจะเกาะติดที่นั่นไม่ยอมถอยเด็ดขาดแล้วต่อมาคติองเขาก็มีว่ามึงมากูมุดมึงหยุดกูแย่มึงแย่กูตีมึงหนีกูตามอันนี้เป็นคติของเขา ถึงแม้ว่าจะเป็นคติการเมืองหรืออะไรก็่างเถอะเรามีความต้องการอย่างเดียวนำนโยบายของเขามาใช้ในด้านธรรมะของเราคำาว่าลืมอันนี้ผมจะพูดเฉพาะขั้นปรสโสนดาบันอันดับแรกเราก็ยังลืมความทรงชีวิตตลอดการตลอดสมัยเสีย ไดความรู้สึกเดิมของเรามีอยู่ว่าเราเกิดมาแล้วเราจะไม่ตายอารมณ์อย่างนี้เราลืมแท้หมดจงมีความรู้สึกใหม่ว่าความเกิดมีขึ้นมาได้ความแก่ความแปรปรวนมันก็มีได้เหมือนกันความป่วยไข้ไม่สบายมันก็มีได้ความตายมันก็มีได้ดังนั้นเราจะต้องตายแน่อันนี้เราไม่ลืม เราลืมความรู้สึกที่คิดว่าจะไม่ตายเสียหันก็มาหาความรู้สึกว่าเราจะต้องตายในแต่ก่อนที่เราจะตายเราก็ต้องเกาะติดก็ติดอะไรก็ติดความดีให้ทำความรู้สึกไ้เสมอว่าถ้าเราเป็นคนดี ถ้าตายจากคนเป็นผีเราก็เป็นผีดีผีดีผีอะไรคือผีเทวดาผีพรหมหรือผีพระนิพพาน <c oughs> เป็นอันว่าดินแดนที่เราจะเป็นอยู่ไปดินแดนที่มีความสุขมากถ้าดีมากก็สุขมากดีปานกลางสุขปานกลางดีน้อยสุขน้อย ดีน้อยสุกน้อยหมายถึงว่าเกิดบนสวรรค์เป็นเทวดาดีไปกลางหมายถึงว่า <c oughs> เกิดเป็นพรหมอยู่ชั้นพรหมดีถึงที่สุดดีมากก็มหมายถึงว่าตากิเลสเป็นสมุทเฉทตวนิระหารไปนิพพานนี่เราต้องเกาะติดความดีเมื่อก่อติดความดีและความดีที่เราจะพึงเกาะติด ตามที่ผมพูดมาแล้วก็คือหนึ่งเราไม่ลืมใช้ปัญญาวินิจฉัยคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่เราจะเชื่อโดยที่เราไม่ใช้ปัญญาพิจารณาไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ชอบพระพุทธเจ้าทรงชอบคนที่ฟังแล้วนำไปคิดแล้วก็ทดลองในการปฏิบัติ ในเมื่อทดลองมีผลแล้วจริงค่อยเชื่อท่านฉะนั้นอันดับแรกเราจะเชื่อพระพุทธเจ้าก็ต้องอาศัยการพิจารณาเสียก่อนว่าคําสอนขององค์สมเด็จพระชินวร์มีผลจริงหรือไม่เมื่อแน่ใจว่าดีแน่เราก็เชื่อพระพุทธเจ้าคือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้ายอมรับพระธรรมยอมรับทับถือพระอริยสง ที่พยายามร้อยกรองพระธรรมวิ น, นัยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงแนะนําไว้เพื่อเราศึกษากันอันนี้เราก็หมายความเราเกาะติดพระพุทธเจ้าเราเกาะติดพระธรรมเราเกาะติดพระอริยสงฆ์คำว่าเกาะติดพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าสัพพปาปัสสะกรนัง จึงแปลว่าเธอทั้งหลายจงอย่าทำความชั่วทั้งหมดทั้งกายวาจาและใจเราก่ะติดคำนี้เราไม่ทำความชั่วทุกอย่างอุศรสุปสมธารงองสอนว่าเมื่อเราไม่ทำความชัว่วแล้วเราจงประพฤติแต่ความดีเราก็เกาะติดตัวนี้สร้างความดีให้เกิดขึ้นในทีน ในในทุกทุกด้านที่พระองค์ทรงสั่งสอนทั้งกายวาจาในใจสามสจิตตาปริโยธ ป, ปัญนนังองสมเด็จประส ม, มาสัมพุทธจ้าสุางตัดว่าเธอจงทำใจของเธอผ่องใสาจากกิเลสอันนี้เราก็ต้องเกาะติดสมถะและวิปัสสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อสามเ็นด้านของวิปัสสนา ข้อหนึ่งเป็นได้ของศีลและสมาธิขอโทษข้อสองเป็นได้ของศีลและสมาธิข้อหนึ่งเป็นได้าการทําจิตให้มีความรู้สึกว่าความชั่วเป็นโทษเป็นทุกข์เป็นภัยเอตังพุทธานศาสนนังพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์ตัดเป็นกันอย่างนี้หมด คำสอนอย่างนี้ที่เราจะรู้ได้ก็เพราะอาศัยพระสงฆ์ไปผููนำมาพระสงฆ์รับคําสอนจากพระพุทธเจ้าแล้วจํามาแล้วก็นํามาสอนพวกเราท่านประพฤติธปฏิบัติได้แล้วดั <c oughs> งนั้นเราจึงเกาะติดลืมความชั่วเสียทั้งหมดขึ้นชื่อความชั่วนอดีต ท, ที่มีมาแล้วทั้งหมดเราลืมมันเสีย คือว่าเราไม่หันไปประพฤติความชั่วใดๆทั้งหมดทั้งกายวาจาและใจเราเข้ามาเกาะติดความดีคือคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ดูจริยาของพระพุทธเจ้าที่ทรงปฏิบัติมาอย่างไรเราเกาะติดจริยาแบบนั้น เป็นอันเรากาะติดแล้วก็ดูพระสงฆ์ท่านหลายที่เป็นพระอาหันตักกิเลสเป็นสมุเทเฉติบาหันได้พระสงฆ์ปฏิบัติอย่างไรเราก็เกาะติดจริยาอย่างนั้นอันนี้เป็นการเกาะติด <c oughs> ต่อมาเราก็เกาะติดอีกเกาะติดอะไรคือเกาะติดศีลศีลพระมีเท่าไหร่สองร้อยยี่สิบเจ็ด สินเลนเมี1สิบสินครวัดเอาห้าเป็นสำคัญจะปฏิบัติสินไปก็ได้แต่ว่าสินห้าต้องถือว่าเป็นสำคัญเพราะว่าพระโสดาบันกับสกิทาคามีครวัดก็ทรงแค่สินห้าเท่านั้น <c oughs> สำหรับพระเนนต้องถือว่าสินสองร้อยี่สิเจดละสินสิบ <c oughs> เป็นสินปกติที่เราจะต้องปฏิบัติ จะไปปฏิบัติสินห้าไม่ได้นั่นก็จงระวังว่าถ้าเราบกพร่องในสินห้าก็หมายถึงว่าสินสิบหรือสินสองร้อยี่สิบเจ็ดไม่มีสำหรับเร า, าเราเป็นผู้ไม่คู่ควรกับผ้ากาสาวพาทติอค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุมัติให้กับเราดังนั้นเมื่อเราจะเกาะติดสิน <c oughs> เราจะเกาะติดสินเราก็ต้องลืมลืมอะไรอันนี้คุณฟังไหมแล้วก็จำมันะให้มันเป็นนิทัศนะประจำใจของเราเราฟังคำสอนกันมากกว่าที่อื่นทั้งหมดแต่ถ้าว่าถ้าจิตใจของท่านไม่สามารถจะลดความชั่วทรงความเป็นประโสดาวันได้ ผมจะเสียดายเวลาที่ผมแนะนำอย่างยิ่งถ้ามันลืมทั้งหมดเราลืมอะไรเราลืมความโหดร้ายคืออารมณ์จิตที่ขายความเมตตาบารนีนี่ลืมมันเสียเรามีแต่อารมณ์จิตที่ปร ะ, ประกอบด้วยความเมตตาราณีเป็นสำคัญ นี่ไม่ได้บอกเราลืมความโหดร้ายแล้วก็เกาะติดความเมตตาปราณีอย่าลืมนะครับอันนี้เป็นสิ่งข้อที่หนึ่งสิ่งข้อที่สองลืมมือไหวหมายถึง ว, ว่าการฉกจิงบิ่งลาวการรักการขโมยการยืดอแยงทรัพย์สินของเขามือไหวหรือใจไวเท่าใจมันช้ามือมันก็ช้า ให้ใจไวมือมันก็ไวให้มันไวด้วยกันเราลืมความมือไวในด้านความเล็วเสียลืมใจไวในด้านความเร็วเสี ย, สยถ้าใจเราไม่ยุ่งกับความเร็วมือหรือวาจามันก็ไม่เล็วเหมือนกัน นี่การที่อยากคิดลักคิดขโมยคิดยี้ยงคิดคิด ค, ด, คดโกงทรัพย์สินเขาไคนอื่นเราลืมมันเสียเรามีอารมณ์ตรงกันข้ามคือแทนที่เราจะมีความรู้สึกอย่างนั้นเราสร้างความรู้สึกสมัยคือเกาะติดทานการให้นี่ลืมนะครับนี่เราลืมลืมลักลืมขโมยลืมทุจริต แต่ว่าเราเกาะติดผลคุญธการให้หวังในการทรงเคราะห์เป็นสําคัญอันนี้ธรรมอารมณ์ของเราให้เกาะติดตัวนี้ไว้ว่าเรามีจิตเมตตากรุณาสงสารคนทั้งหลายและสัตว์ทั้งหลายสงสารเขาเหมือนกับสงสารตัวเราอันนี้เราใช้อารมณ์เกาะติดคือแทนที่เราเราจะแย่งจะลักจะขโมยเขาเรากลับเป็นผู้ให้ ตั้งใจคิดว่าจะให้ไว้เสมอแล้วก็เต็มใจในการให้ถ้าเรามีถ้าเราไม่วัตถุไม่มีวัตถุเป็นที่ให้เราก็ให้แรงงานช่วยแรงงานถ้าแรงงานเราไม่มีจะให้เราก็ให้ปัญญาช่วยในการแนะแ น, ะนําเป็นอันว่าเรากลับใจเจอรมอยากเจนได้ของเขากลายเป็นผู้ให้ เราลืมคิดลักคิดกมอยแต่เราเกาะติดในการให้มันก็เป็นการทำลายป้องกันความชั่วในด้านของศีลที่จะละเมิดศีลเสียได้ในข้อที่สองข้อที่สามเราลืมความเป็นคนใจเร็วคำว่าใจเร็วในที่นี้คือใจลืมคิดเห็นลูกเขาเห็นเมียเขาคนในปกครองเขาในคนในปกครองของเขา เรามีความต้องการอย่าสมสู่อยู่ร่วมกันในฐานะสามีภรรยาโดยที่ไม่รับอนุญาตทันจากท่านผู้ปกครองหรือเจ้าของของเขานี่เป็นความชั่วที่เราจะต้องลืมเราลืมมันเสียอารมณ์อย่าง น, นี้อย่าให้มีในจิตของเราเราก็เกาะติดอารมณ์สันโดษ พอใจแต่เฉพาะคู่ตัวผัวเมียของเราเท่านั้นไม่ปรารถนาจะไปล่วงเกินยื้อย่างบุตรทินดาสามีค่าทาาจิ้งชายคนในปกครองเขมบุคคลผู้ใดคนหนึ่งคำว่ากาเมนิไม่ใช่เฉพาะผัวเขามีเขาลูกเขาหลานเขาเลีงเขาคนชายเขาคนในปกครองของเขา ถ้าเราเขายังมีผู้ปกครองอยู่เราไม่ได้รับธรรมะไปร่วมรักถึงแม้ว่าจะมีความพอใจในระหว่างสิงกันแล้ ก, กันก็จัดว่าเป็นโทษของกามีเนื้การประพฤตปฏิบัติขอ้อนี้ต้องละเอียดนิดหนึง่งอันนี้เราก็เกาะติดสันโดษถ้าเราเป็นคนโสดก็พอใจในความเป็นโสดเกาะติดความเป็นโสด ต้องการจะแต่งงานก็จะมีความยินดีเกาะติดเฉพาะพัญญาและสามีของเราเท่านั้นส่วนบุคคลอื่นใดเราไม่ต้องการสำหรับสิงข้อที่สี่เราจะต้องลืมวาจาสีสถานไม่มีในรมจิตของเราหนึ่งพูดไม่จริงสองพูดหยาบ สามพูดเยอะยังยุงยงแต่แข็งแสเขาแตกรราสิ่งแกล่กันแตกความสามัคคีสี่พูดวาจาสำรากเป็นที่สะเทินใจของบุคคลผู้อื่นคือไร้ประโยชน์การสี่อย่างนี้เราต้องหลืมมันเสียไม่พึงประสงค์จะนำมาใช้ มันจะมีประโยชน์เพียงใดก็ตามทีก็ถือว่ามันไม่ใช่ความปรารถนาของเราเรามีความต้องการอย่างเดียวคือเกาะติดสัจธรรมเกาะติดความจริงจะพูดอะไรก็ตามจะพูดตรงต่อความเป็นจริงเสมอแต่การพูดจริงต้องมีความฉลาดเชลาดในการพูดจริง หมายความว่าต้องดูการดูสมัยถ้าบาลยะถ้าพูดจริงไปมันจะเป็นโทษแล้วก็ต้องหลบไปชนิดหน่อยแต่ไม่ถึงกับทำลายประโยชน์ของเขาเราจะต้องลืมคำหยาบที่เราเคยใช้จะมีวาจาแต่เฉพาะวาจาอ่อนหวานเป็นที่ชื่นใจ เราจะต้องลืมวาจาที่เราจะทำให้บุคคณอื่นเขาแตกแยกสิ่งกันเลยกันเพื่ อ, อยุให้รำทาให้รัวยุยางแต่แข็งแสอันนี้ลืมมันเสียใช้แต่วาจาที่สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นและเราจะต้องลืมที่มีความรู้สึกว่าน้ำเมาเป็นของดี คำว่าน้ำเมาเป็นของดีมีประโยชน์เพื่อสังคมลราเหลือมันเสียก่อติคิดว่าน้ำเมาเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทสุราเมรยมชาประมาทฐานาเวรมณีสุราได้มีไรก็ดีดื่มเข้าไปแล้วมันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาททำคนให้เสียคนทำจริยาให้เสียมิจริยา คิดว่าคนใดที่มีความประมาทอยู่สมเด็จพระบรมครูท่านกล่าวว่าเป็นคนที่ก้าวเข้าไปหาความตายถ้าเราไม่ตายจากชีวิตเราก็ตายจากความดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตเรามักจะรักน้อยกว่ารักความดีฉะนั้นเราก็ต้องเกาะติดอารมณ์อย่างนี้คือเกาะติดอารมณ์ที่เราคิดว่าจะไม่ดื่มสุราจะมีไร เนื้เราก็ไม่ติดมันด้วยเป็นอันว่าจริยาทั้งหมดนี้เป็นจริยาที่คู่ควรแก่ประสงคดามันนอกจากนั้นเราก็ต้องมีอารมณ์เกาะติดนัด่นคือเกาะติดพระนิพพานเป็นอารมณ์เราทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่หวังผลตอบแทนในชาติปัจจุบันเราเกื้อกูลใครพูดหนีกับใครสรงข้อใคร เขาจะมีความกระตัญอยู่รู้คนในเราหรือไม่ไม่สำคัญเราคิดว่าเราทำทุกอย่างเพื่อการเข้าถึงพระนิพพานนี่เป็นสิ่งที่เราต้องการเป็นอาราจิตเราก่อติดพระนิพพานเป็นอารมณ์เมื่อเราลืมความชัว่วเกาะติดความดีอย่างนี้ ความจริงอารมณ์เกาะติดนี่อารมณ์ลืมก็ดีอารมณ์เกาะติดก็ดีมันต้องมีกันนะักปฏิบัติทุกท่านอย่าไปคบคาสมาคมกับอารมณ์ของความชั่วถ้าอย่างนี้กาติดจริงๆแล้วท่านทั้งหลายไม่เกินหนึ่งเดือนเราได้แน่วันนี้เราก็หันไปมองดูพระสิงเขามีว่ามึงมาโกามดุด มึงหยุดกูแย่มึงแย่กูตีมึงหนีกูตามใช่หรือไม่ใช่คงจะใช่นะผมก็จำไม่แน่นักมึงมากูหมุดหมายความว่าอารมณ์แห่งความชั่วต่างๆที่มันจะเข้ามาถึงใจสมมติว่าสักครั้งหนึ่งเราลืมตัวลืมตนคิดว่าเราจะไม่ตายคิดว่าเราเป็นคนดี คิดว่าเราไม่ชัว่วถ้าอารมณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นกับใจเราจงนึกว่านี่ศัตรูร้ายมาแล้วศัตรูร้ายที่ทําลายความดีมาแล้วเมื่อมันมาเรามดุดเสียมุดไปตรงไหนมันคิดว่าร่างกายเราจะไม่ตายเกิดขึ้นมันมีอารมณ์เกิดขึ้นอย่างนี้เราเข้ามุดเข้าไปหาโมรนานนสติกกรรมฐาน เคิดว่าลมปลายของเราตีดส่งอยู่นี่เราให้ใจเข้าแล้วเราไม่ ใ, ใจออกมันก็ตายให้ใจออกแล้วไม่ ใ, ใจเข้ามันก็ตายเราจะไปเชื่อมันทําไมกับลมเร็วๆแบบนั้นเรา묻ใช่แทนที่ยอมรับนัะคือเราจะไม่ตายเราไม่ยอมคิดคิดว่าวันนี้แหละเราอาจจะต้องตายความตายจะมีกับเราขึ้นได้ในที่ทุกสถานทุกการเวลา ไม่ใช่ไปรอวันรอคืนท่านกล่าวเมื่อมึงมากุมมดอีตอนมึงหยุดคูยแย่พรามึงหยุดกุยแย่หมายความอารมณ์ที่มีความทนองตนไม่เกิดขึ้นอารมณ์ที่คิดปรทุสร้ายมีความโหดร้ายมือไวใจเร็วพูดปดปวหมดสติไม่เกิดขึ้นอารมณ์ความทรงความดีทั้งศีลทั้งธรรม ทั้งมรณาโนสติกรรมฐานก็ทรงตัวการยอมรับนักถือพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์ก็มั่นคงสี่งก็มั่นคงอารมณ์กาะพระนิพพานก็มั่นคงท่านี้เรียกว่ามันหยุดกิเลสศัตรูคือกิเลสมันหยุดเราก็แย่แย่ตรงไหนแย่โจมตีมันเข้าไปโวนมันเข้าไว้แย่ให้มันเกิดขึ้น พยายามเจริญมรณานุสติกรรมฐานโดยใช้ลมหายใจเป็นลมปราณเป็นที่กําหนดพยายามควบคุมอารมณ์สิ้นให้ทรงตัวพยายามควบคุมอารมณ์ยอมรับนับถือโดยปัญญาในพระพุทธเจ้าในพระธรรมเป็นสองพยายามยึดพระนิพพานเป็นอารมณ์รวมความรเราเราใช้มรณานุสติกรรมฐาน กับพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติอุปสมานุสติกรรมฐานพร้อมกันไปในคราวเดียวกันพยายามทําจิตให้มันทรงตัวอย่างยิ่งเพื่อความเป็นประสงดาบันนี่มึงแย่กูตีเมื่อเราทรงตัวได้ดีแล้วอย่างนี้มึงแย่กูตีหมายความจับสกายทิฐิ ในวิปัสสนาอย่างขึ้นมาใช้พิจารณาว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่ใช่ของมันมันไม่ใช่ของเรามันเป็นเพียงธาตุสี่มาประชุมกันโชกเราเมื่อเราสัลมันสลายตัวเราจะต้องไปแต่การไปของเราจะไม่ไปเพื่อความเกิดแก่เจ็บยาตายในภพใดๆอีกเราจะเป็นผู้สิ้นชาติสิ้นภพ ตีโลภะความโลภให้พินาศไปตีราคะความกำหนัดยินดีในอาก า, มกามรมรณะารมณ์ให้พินาศไปตีโทสะให้พินาศไปตีโมหะให้พินาศไปการโจมตีแบบนี้คือว่าเข้าถึงเบสโซนาบันนักจิตทรงตัวตีอันดับสําคัญให้ถึงอรหันต์เลยไม่ต้องไปตีพระสกิทาคานาคา ตีให้มันจบจุดแล้วเมืองแยกกูตีตอนนี้มันก็หนีมันหนีเราตามหมายความเราจะทรงอนาปานุสติกรมฐานให้เป็นฌานไปเป็นปกติเราใช้สกายะอังกายยกตานสุสกายะทิฏฐิในในวิปัสสนาญาณเข้าประหัตประหารโดยจับสังโยชนิตรการเป็นเท่เป็นที่เครื่องวัดอารมใจ ว่าเวลานี้สัญญาตัวใดบ้างที่ยังขวางใจของเราอยู่อาดบรัรดาสันสาวะโององสมเด็จพระบรมครูเท่าที่พูดมานี้มองดูเวลามันก็หมดผมคิดว่าการที่เอาจุดซอยๆความจริงน่าจะซอยมากกว่านี้ที่เวลาไม่พอมาซอยกันเรื่องพระสนดา บ, บนันคิดว่าคงไม่เกินวิสัยของท่านที่บพิงทาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนั้นหลายมันฝึกผนในด้านของมโนวิทิเป็นของดีเพื่อการฝึกกำลังจิตให้มันคงถ้าเต่อจนี้ไปขบันดาท่านบอกบาสุกมตธิกาบันดาพระสงฆ์เป็สุสมณีทั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกใช้คำวันนาและพิจารณาตามมัตยาัย เป็งกว่าที่ท่านหลายเย็นว่อเวลานั้นเป็นการสมควร